เพความสุขความเจริญจะมีแนะท่านผู้ฟังทั้งหลายเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กเราจะนําพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนเด็กมากล่าวในที่นี้พระสูตรนี้ชื่อว่าจุลราหูโลวาตสูตรคือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาท แกพระราหุลสูตรเล็กมีข้อความในตอนต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกลันตกะนิวาปสถานในกรุงราชสกุลก็ได้เสด็จไปถึงที่อยู่ของพระราหุล ตอนนั้นยังเป็นสามเณรน้อยๆราหุลก็ตักน้ำล้างพระบาทพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่เชิงบันไดนั่นเองแล้วก็ส่งตักน้ําขึ้นมากาลาหนึ่งเสร็จแล้วก็เททิ้งออกไปครึ่งหนึ่งรับสั่งถามสามเณรราหุลบ่า ราหุนเธอเห็นน้ำในกะลานี้ไหมท่านบอกว่าเห็นน้ำกะลามีน้าในกะลามีเพียงครึ่งเดียวพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าสมณธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นผู้ส ง, งบนั้นถ้าหากว่าคนยังพูดมุสาวาดอยู่ก็จะมีน้อยเหมือนกับน้ำ ในครึ่งกะลาเท่านั้นแล้วก็สรงเทน้าหมดทั้งกะลาแล้วก็รับสั่งถามอีกเห็นกะลานี้ไหมพระราหุลก็บอกว่าเห็นแต่ก็ไม่มีน้ำรับสั่งว่าสมณธรรมของบุคคลที่ยังพูดโกหกทั้งๆ ท, ที่รู้ก็จะหมดสิ้นไป เหมือนน้ำที่หมดไปจากกระลานจนเสร็จแล้วก็คว่มกระลาแลรับสั่งถามมาเห็นกระลาไหมบอกว่าเห็นกะลาควา่ำก็รับสั่งเช่นเดียวกันว่าสมณธรรมของคนที่พูดโกหกมันจะเหมือนกับกระลาที่ควม่มแล้วก็หงายกระลาขึ้นมาอีก เอาทรงแสดงเช่นเดียวกันซึ่งในช่วงนี้ได้อาศัยอุปมาณ้ำกับกลาเป็นหลักต่อจากนั้นก็สอนให้สามเณรราหุลเริ่มคิดว่าราหุลเธอจงคิดว่ากายกรรมคือการกระทำทางกายอันใด ที่บุคคลทำไปแล้วมีการเบียดเบียนตนเองคือทำตนเองให้เดือดร้อนหรือทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนหรือทำทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นทุกมีบิบากเป็นทุกเธอควรบันเทาควรงดเว้นการกระทำในลักษณะนั้น กายกรรมอันใดที่เมื่อทำแล้วไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความสุขมีวิบากเป็นความสุขเธอพึงกระทำกรรมนั้น และกายกรรมที่เบียดเบียนตนเองบุคคลอื่นให้เดือดร้อนตลอดทั้งเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนอันใดที่เธอทำไปแล้วเป็นความผิดพลาดไปแล้วก็ให้สารภาพเปิดเผยบอกกล่าวให้คนอื่นทราบไปทวนความดีอันใดที่เธอทำไปแล้วก็ให้เพิ่มพูนความดีส่วนนั้นขึ้น แล้วก็เปลี่ยนมาที่วาจาก็คิดในแนววาจาเช่นเดียวกันเพราะวาจาใดที่พูดไปแล้วเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความทุกข์มีวิปากเป็นทุกข์เมื่อเธอพิจารณาเห็นกรรมนั้นก็ให้งดเว้น อย่ากระทำในกรณีที่กระทำไปแล้วผิดพลาดไปแล้วก็ให้สารภาพเปิดเผยอย่ากปกปิดความผิดไว้ส่วนวิจิกรรมอันใดที่เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นหรือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความสุขมีวิบากเป็นความสุข ให้เธอพิจารณากรรมนั้นแล้วกระทำเพิ่มพูนให้มากขึ้นตั้งใจสำเนียกศึกษาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็เปลี่ยนไปที่มโนกรรมก็ให้พิจารณามโนกรรมโดยแนวเดียวกันว่ามโนกรรมคือความนึกคิดอันใด ที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นทุกข์มีบีบบ่เป็นทุกข์คอยงดเว้นการกระทําเช่นนั้นถ้าหากว่ากระทําพลาดไปแล้วผิดไปแล้วหรือคิดผิดไปก็ให้สารภาพเปิดเผยแก่ท่านผู้อื่นมนโนกรรมอันใดที่ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นสุขมีวิบากเป็นสุ ข, สขให้สำเนีกให้กระทำให้ประพฤติปฏิบัติในมรรกรรมเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนี้เป็นพระโอวาทที่ทรงประทานแก่พระราหุลเราเรียกว่าจุลราหุโลวาทสุท คือเป็นพระสูตเล็กตอนนั้นพระราหุลยังเป็นเด็กยังเป็นสามนเณรพระราหุล น, นั้นเราเรียกว่าพุทธชินโนรสคือลูกของพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้าไม่มีลกูกเป็นลูกของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเอ่อพระสูตรจากพระนางเยโ ส, สราหรือพิมพา ในขณะที่ประสูตรนั้นพระพุทธเจ้าอพระพวธิสัตว์คือเจ้าชายจิตตถะกำมังกำมังจะออกไปนอกวังให้ได้นะคือไม่ค่อยอยู่ในวังแต่ไปอยู่ในสวนไปสงบไปเพ่งพินิจพิจารณาโลกค้นคว้าแสวงหาทางที่จะช่วยโลกช่วยพระองค์ก็มีคนไปกราบทูลว่าพนางพิมพาประสูตรพระโจาั ก็ทรงเปล่งเป็นอุทานขึ้นมาว่าราหุลังชาตังบันทนังชาตังแปล ว, ว่าเครื่องบวงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็เป็นการเปล่งอุทานด้วยตกประทายนิดหน่อยเพราะว่ากำลังคิดจะบวชอยู่พอดีแล้วก็เกิดมีลูกขึ้นมาราคิดว่าบวงได้เกิดขึ้น แว่าทำอย่างไรที่จริงเขาก็มาบอกตอนกลางวันก็ไม่เสด็จเข้ายังอยู่ในป่ายังอยู่ในสวนจนในที่สุดตกลงพระไทยแน่แล้วว่าคือถ้าไปเห็นพระโอรสเข้าเนี่ยความรักลูกหรือมันจะรดกระดุกบางทีจะตัดใจไม่ขาดเลยไม่ยอมเข้าไป เนี้จะเอายังไงก็เอายังไงก็เอาวันนี้แหละคือจะบวชหรือไม่บวชก็ต้องไปวันนี้ก็นที่สุดตัดสินพระไถย์ว่าต้องบวชแน่ตกกลางคืนก็ไปงามประตูดูพระโอรสหน่อยนะขลับแล้วก็เสด็จออกอย่างที่ทัากกันในตอนนี้พวกผู้หญิงบางคนหมั่นไส้พระพุทธเจ้าก็สงควรใจร้ายทิ้งลูก แล้วก็พบปัญหาในที่ต่างๆหายแห่งอส่วนมากจะเป็นครูผู้หญิงถามมองพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความรับผิดชอบใจร้ายทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ให้ในรับความลำบากอาตอมาถามว่าคนอยู่ในวังเนี่ยมันลำบากอะไรนักหนาคืนนี้เป็นเรื่องของความคิด ซึ่งเราก็ต้องยอมว่าระดับจิตใจของคนอยู่ในเรื่องอะไรจะคิดได้เท่านั้นน่จะคิดเท่ากับที่ตนมีประสบการณ์มีความรู้สึกนึกคิดอยู่คือคิดอื่นไปจากนั้นไม่ได้อาจากตัวอย่างนี้ทำให้นึกถึงท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งวันก่อนท่านมหาไม่รู้จักกันหรอกเป็นสุภาพสตรีเป็นอาจารย์เป็นคนไม่สนใจพระพุทธศาสนาที่ท่านเล่าให้ฟัง แต่วันนึกปุ๊บปับมาสนใจสนใจเอาดือด้อๆพอสนใจแล้วก็ปลายใหญ่เลยปฏิบัติกรรมาฐานจนที่ท่านเล่ามาคุยเรื่องอารมณ์อะไรกันวันนั้นแสดงไม่เบา <c oughs> ปลายไกลพอสมควรทีเดียวท่านเป็นนักจิตวิทยาที่ประสบความสำเร็จในการครเรียนอย่างสูงภรามาดีเหลือเกิน พอจะแนะนำใครชี้แจงกับใครและพูดไปพูดมาชวนแล้วก็แต่งงานได้คือต้องการจะให้เขาได้รับความสุขอย่างที่ท่านได้แต่ท่านบอกว่าในขณะนี้จิตใจท่านเป็นยังไงไปไม่ทราบคือไม่อยากจะให้คนก็แต่งงานต้องการจะให้ได้รับความสุขได้สัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะอย่างที่ท่านได้ บอกว่าเนี่ยคือจิตเป็นลักษณะของจิตที่พื้นฐานใหญ่นั้นเราต้องมองไปในจุดของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นจุดใหญ่แล้วเราก็พร้อมที่จะย่อยลงมาข้างล่างคือคนเราถ้ามีปัญญามากขึ้นใจจะสะอาดมากขึ้นปัญญามากขึ้ น, ญญาานสะอาดมากขึ้นปัญญามากขึ้นสะอาดมากขึ้นแล้วความสงบจะสูงขึ้น ผลที่ออกมามันเป็นเมตตากรุณาเมื่อตนได้สัมผัสผลเช่นนั้นก็มีเกิดเมตตากรุณาต้องการจะให้คนอื่นสัมผัสด้วยอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านเข้าถึงสูงสุดหมดทั้งสามจุดคือปัญญาสุดยอดบริสุทธิ์สุดสุดยอดกรุณาเลยสุดยอด ต้องการที่จะช่วยคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากอะไรเลยเราลองนึกดูว่าพระพุทธเจ้าประชวนที่บ้านนายจุนทะลงพระโลหิตเรียกว่ากรกโกกกันเลยแหละในคำพีที่เบตนั้นบอกจุดที่ต้องแวะระยะ13ากิโลออกตอนเช้าไปถึงตอนเย็นพระพุทธเจ้าต้องแวะถึง25ห้าจุดด้วยกัน ไปไม่ไหวจริงๆร่างกายไม่เล่นด้วยแต่พระองค์ก็ไม่ยอมให้ใครหามสเสด็จพุทธดำเนินไปเหนื่อยก็ขับแต่ของเราแสดงหลักฐานไว้เพียงสี่จุดไปถึงก็เรียกว่าเดินไม่รอดก็ประทับนอนเป็นอนุฐานน่ะสายยาคือไม่ลุกขึ้นอีกแล้ว แต่วันไหนขณะที่ไม่ลุกขึ้นก็สอนสอนสอ น, สอนเอาภิกษุมีอะไรสงสัยจะสอบถามจะถาคตก็รีดถามเสียปะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ถามตอบตอบสอนสอนตอบตอ บ, ตอบแก้ปัญหาชี้แจงวาระสุดท้ายทุกเวทธนาก็แรงแล้วก็จนจะนิพพานแล้วสุภัททะปริพาจกจะขอเข้าเฝ้าพระนรนเห็นไม่ไหวแล้วเพราะเราพูดมาตั้งแต่นนตั้งแต่ประทับ บนพระแท่นแล้วก็สอนตอบคําถามสารพัดอย่างก็ยังอุตส่าห์ให้สุภัฏทะเข้าวฟาบข้าฟาบแล้วยังไม่หยุดแค่นั้นยังประชุมพระสงค์ชี้แจงพระสงฆ์ทั้งหมดสรุปคําสอนลงด้วยอย่างที่เคยพูดได้ฟังบ่อยๆเดี๋ยวสรุปว่าลูกกรพิสุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายเอาไว้สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยั่งประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นในสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถินี่คือความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่ขึ้นจุดสุดยอดมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นการมองพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในสายตาของสามบรชนนั้นจึงค่อนแค่อยู่เลยใจร้ายจะอยู่กับลูกหน่อยก็ไม่ได้ทิ้งเมียทิ้งลกูกก็ลาบากโดยเฉพาะผู้หญิงก็ถึงแทนโกรธแทนนางยโสธรา การเนืนะ้องหน้าเอนดูเหมือน ก, นนะอนกบโกรธแทนโกร ธ, กรธพระเวสสันดรแทนนางมัจจีนะครับคือเราไม่นึกว่าระดับความคิดของเขานั้นไม่ใช่ระดับความคิดแบบเราประนางพิมพานั้นท่านสร้างบา ร, รมีเคียงคู่มากับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดแต่ว่าเราคิดอย่างที่เราคิดนะก็เลยก็เข้าใจกันไม่ได้ราขุนก็เลยได้ชื่อว่าราขุนทั้งแปลว่าบวงอันนี้ก็แปลกนะชื่ออุบัติเหตุเฉย พสมุทัเจ้าไม่ตั้งใจจะจะตั้งพระไทยไว้จะตั้งชื่อลูกอย่างนั้นหรอกเพราะเขาถามก็เกิดสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็เปล่งพระอุทานว่าเราหลังชาตังบันทนางชาตังบวงได้เกิดขึ้นแล้วเครึ่องบุกได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ทำให้นึกถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อวิทูทภะเป็นก็มีศักเป็นหลานพระพุทธเจ้านะฮะที่มาล้างวงศักยะทีหลังก็ไม่ถึงกันล้างหรอกแต่ฆ่าสักยะตายไปมาก เท่านผู้นี้อะไรแม่พระพระชนนีของท่านนั้นเป็นลูกเป็นอะไรเป็นลูกของลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าเป็นลูกพระเจ้ามหานามะเป็นมัยสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลแต่ว่าเกิดจากนางทสีเพราะประสูนย์พระโอรสก็ส่งคนมาขอชื่อ ไอ้คุณตาคือพระเจ้ามหานามะก็รับสั่งว่าเออนางวันสพระติยานั้นเป็นที่โปรดปรานของพระราชาเพรได้ลูกชายก็คงจะเป็นที่โปรดปรานมากยิ่งขึ้นไอ้คาว่าโปรดปรานนะฮะบาลีว่าวันละพาไอ้อไอ้คนที่มาฟังนั้นหูจักตึงตึงบมื่ฟังเป็นวิทูทพะเลยไปบอกว่าพระเจ้ามหานามะประทานชื่อว่าวิทูทพะซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุคือชื่อที่เกิดขึ้นโดยบัติเหตุตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัดคราวแรกก็โปรดพระพุทธบิดาเทศเพรสันดอนชาดกนะฮะแล้วต่อมาก็โปรดพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปฏิพน์ระนางพิมพายะโสธรานั้นก็ยังไงยังไงก็อยู่ในสูตรงอนนะฮะนั่นก็งอนไม่ยองเข้าเฝ้า พู้เจ้าเสด็จไปเยี่ยมกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะสามงแล้วก็รับสั่งว่ามานาพิมพาจะแสดงอะไรนี่ให้ทั้งสองนั่งเฉยๆก อ, อย่าไปห้ามปราบอย่าไปอะไรท่านท่านก็พิรีพิไรไปไ ป, ไปมากกว่าสมควรนะเพราะว่าจากกันนานนะก็ในคราวที่สองเสด็จคราวที่สอง รู้สึกจะเสด็จคราวนั้นนะฮะแต่ตัวว่าไอาการเสด็จคราวไหนนี่ไม่ได้บอกแต่ดูแล้วน่าจะเป็นคราวที่สองมากกว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จเนี่ยพระนางพิมพาก็ตกแต่งพระราชุินตอนนั้นเขาบอกว่าประชวรมายุ่งเจ็ดขวบจะ น, น่าจะเกินพอเราดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกในวันพระราชุินประสูุษ ควเป็นเพียงอยู่6ปีไปเผยแผ่ศาสนาอยู่3ปีปีที่สี่ก็เสด็จเข้ากรุงกบินละพัดแล้วควรจะ9ขวบหรือว่า8ขวบก็ใกล้ๆกันแล้วก็ชี้ให้ดูบอกว่านั้นคือพระราชบิดาของลกูกตอนพระบิดาประสูตินั้นมีขุมทองเกิดขึ้นที่กรุงราชคกฤสี่ทิศ แต่พอเสด็จออกผนวดตัดสรุมันหายไปไหนไม่รู้หายไปหมดก็ขอให้ราหุลไปขอสมบัติพระราหุลไปถึงไอ้อาศัยความความรักที่พ่อที่ลูกมีต่อพ่อหรือพ่อมีต่อลูกก็เป็นสายใหญ่ไปถึงก็เด็กอ้เจ็ดปดขวบก็คุยจ้อไปเลยแล้วรู้สึกอบอุ่นอะ่ะท่านรู้สึกอบอุ่นสบายท่าน ท่านก็บอกว่าจะมาขอสมบัติเอ่อท่านท่านท่านท่านกราบทูลก่อนว่ามาสมณะร่มเงาของท่านเย็นดีจริงสบายจริงเย็นจริงมือพอเข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้วท่านสบายท่านยืกเย็นท่านสงบท่านคุยย่อไปเรื่อยพระเจ้าก็ประทับเฉยเสร็จแล้ว คุยๆเพลินๆถ้าก็นึกได้แม่สั่งให้มาขอสมบัติก็ขอพระพุทธเจ้าถ้ก็ส่งดำริว่าระหุนขอสมบัติของบิดาเจตนาที่พระนางพิมพาส่งมาขอั้องขอสมบัติคือขุมทองสี่ทิศที่มันหายไปคือขุมทองสี่ทิศนี้เขาเรียกว่าเป็นศาสชาติมันเกิดพร้อม ก, กับการอุบัติของเจ้าชาติสิท ธ, ธัตถะ ตามตำนานท่านบอกว่าจะให้เป็นเงินเป็นกองทุนในการแผ่อาณาจักรของพระเจ้าจักรพรรดินะคแต่เมื่อไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแหวนทองนี้เลยไม่ต้องใช้ ก, ก็จะมีการครังพิเศษเป็นการครังที่เกิดด้วยบุญพอไม่เอามันก็แต่มันมันหายไปวันพระพุทธเจ้าจะรู้นั่นเองหายไปหมดเลยแต่วันในขณะที่พระพุทธเจ้า ออกแสวงหาทางจัสรู้อยู่ใครก็อทองนี้ไปใช้ไม่ได้นะเพราะเป็นของที่เกิดขึ้นแก่พระองค์เท่านั้นเองมันเคยมีไอ้ของเกิดด้วยบุญเนี่ยเป็นเรื่องแปลกเออท่านผู้หนึ่งคือคือมันเกิดทองขึ้นมาด้วยบุญกองท่านแล้วคนไปยักยอกมันกลายเป็นดินหมดเลยพรพราะอยู่ที่คนนั้นจึงเป็นทองถ้าไปอยู่ที่คนอื่นมันเป็นดิน อันนี้จะต้องอาศัยมีไประสบประการอะไรพอสมควรที่เราจะเข้าใจปัญหาเหล่านี้ปัญหารเรื่องบุญญานุภาพเมันพูดกันยากหรือบาปอนุภาพของบาปอนุภาพของบุญนี่เป็นเรื่องพูดกันยากมันต้องปัจจัดตังคือเราประสบด้วยตัวเองแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นอาจจะไม่เชื่อแต่คนที่ประสบเขาเชื่อเพราะไม่รู้จะไม่เชื่อ ย, อยังไงมันก็เห็นเองอะ่ะ พระพุทธเจ้าก็พิจารณาถึงสมบัติสมบัติที่เป็นโลกิยะขุมทองก็หายไปแล้วนอกนั้นก็เป็นของพระเจ้าสุโทธนาทนะทั้งนั้นแต่คุมบัติสมบัติของบิดาจริงๆนั้นก็คือโลกุตระธรรมมรซีผลสีนิพานหนึ่งท่านั้นเพราะงั้นจึงไม่ได้รับสั่งอะไรอคิดจะให้สมบัติที่เป็นโลกุตระ พอพุทธเจ้าเสด็จขึ้นเสด็จออกไปจะกลับนิคโครูธารามคือไม่ได้รับสั่งม่าจะให้หรือไม่ให้พระหุ่นก็ตามต้อยต่ยต้อย ต, อย ต, อยตอยไปได้เพราะท่านอบอุน่นท่านสบายที่ว่ามันนะก็ตามไปจนถึงนิคโครูธารามไปถึงก็ไม่พูดอะไรรับสั่งให้ภาษาดีบุตรจัดการบวชให้สมบัติ ทนี้พอบวชแล้วเป็นคนที่เด่นมากพระราหุนนะั้นท่านเป็นคนที่เด่นเป็นผู้คล้ต่อการศึกษาชอบเรียนรู้พอตื่นเช้าขึ้นมาถึงนี่จะกำทรายขึ้นมากำคือคือกอบทายขึ้นมานี่ในอธิษฐานว่าวันนี้ขอได้ฟังโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระอุปัชายะเท่ากับเมล็ดทายท่านกำทุกวันน่ชอบฟังชอบเรียนรู้ชอบหาความเข้าใจ จนได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดของภิกษุในทางใคร่ต่อการศึกษาสนใจศึกษาเรียนรู้พระกันเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนตอนตอนนั้นมันไม่มีเนนน่ะรือสามเดนยังไม่มีเพราะว่าเป็นพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นใหม่ๆ รูปแบบการจัดโครงสร้างทางศาสนาก็ยังไม่ได้จัดอะไรเพราะเป็ น, ปนพระอริยะบุคคลกันทั้งนั้นคุมตัวเองได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องจัดพอเกิดมีสามนเณรขึ้นมาก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาที่จริงมันก็เริ่มมาจากชาวบ้านคือชาวบ้านนี่มาฟังเทศแล้วก็นอนในวัดสมัยก่อนมันก็เหมือนสมัยนี้พระเองก็ไม่ค่อยมีที่นอนนะก็นอนนอนกันอยู่เนี่ย ทีนี้อิเดยาบทในยามนอนเนี่ยคนรอบางทีควคุมไม่ได้พระนอนทีก็ไม่เรียบร้อยชาวบ้านก็ตําหนิตําหนิพระพุทธเจ้าจึงมายัดห้ามไม่ให้อนุปสมบัติอนุปสมบัตินั้นคือคนที่ไม่ได้บวชนะฮะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเแี่ยคนที่ไม่ได้บวชรือห้ามนอนร่วมกับพระเกินห้ามนอนร่วมกับพระเลยเมื่อก่อนเนี่ยห้ามนอนร่วมห้องเดียวกับพระ เมื่อก่อนก็ต่างคนต่างเอาใจพระราชนลเพราะเป็นเนรน้อยๆนะก็ดูแล้วจใจใส่โดยเฉพาะภาษาริบุตรเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบมากพอเกิดท่ามอย่างนั้นทำยังไงพระราชนลก็เป็นอนุปัฏบานด้วยก็เลยก็บอกให้ไปนอนที่อื่นเนน้อยอายุเจ็ดแปดเก้าขวบไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเลยไปนอนในท่วมพระพุทธเจ้าในพระัม์ดีก็ พอใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่วัดจะกุดีก็ตามสูตรของพระวินัยนะฮะคือการเข้าห้องช่วมห้องน้ําเนี่ยจะต้องกระแอมกระแอมก่อนพุทธเจ้าก็กระแอมเป็นเป็นธรรมดานะฮะตามตามปกติก็ไม่มีใครมาใช้ร่วมกับพระองค์หรอกแต่พระุทธเจ้าต้องกระแอมพระหุ่นก็กระแอมรับเพือแสดงว่าอยู่ข้างในอา้าวสอบถามว่าใครท่านก็บอกว่าท่านอา้าว ทำไมมานอนที่เนี่ท่านก็กราบถูนให้ทราบเกิดปัญหาต้องประชุมสงฆ์แล้วปลใหญ่เลยประชุมสงฆ์ก็รับสั่งถาม่มาที่ประชุมเนี่ยใครรู้ไหมเมื่อคืนราหุล น, นอนที่ไหนไม่มีใครรู้พระเจ้ารับสั่งเล่างฟังตอนนีเด็กเล็กๆที่เข้ามาบวชเนี่ยไอ้พวกเธอไม่ช่วยกันรับผิดชอบปล่อยให้ไปนอนอยู่ในส้วม แล้วต่อไปเนี่ยลูกเขาบวชเดี๋ยวจะทํำไงกันเสร็จแล้วก็เลยบัญญัติวินัยบัญญัติวินัยเขาเรียกอนุบัญญัติคือเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาว่าภิกษุจะนอนร่วมกับอนุปัสัมบันฑได้ไม่เกินสามคืนไม่เกินสามคืนมันก็มีปัญหานะพอเด็กบวชแก่เด็กแกชอบบวชอะโมเนยเนี่บวกกันเยอะเลยทีหลังเนี่ยกุฏิมันก็สร้างไม่ทันแล้วก็เดนยแกก็กลัวผีด้วยมันก็ต้องอยู่กับพระใกล้ๆกัน จะนอนร่วมกันในห้องเดียวกันก็ไม่ได้เลยก็ต้องจัดวิธีไปคือให้นอนร่วมกันพอถึงคืนที่สามให้คนหนึ่งออกไปอยู่ข้างนอกเนให้ออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่าลุกขึ้นนั่งเสียคนหนึ่งนอนคนหนึ่งก็นั่งก็แก้ปัญหาได้นี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องทางวินัยที่ประรบพระราชนิพนธ์พระราชนิอาศัยที่ท่านเป็นผู้คร่ำต่ อ, อการศึกษาเนี่ย มีคราวหนึ่งท่านเสด็จพระพุทธตามตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปตอนนั้นหนุ่มนะฮะหนุ่มก็หล่อเหมือนกับพ่อแม่ก็เดินตามพระพุทธเจ้าก็ดูพระพุทธเจ้าตอนนั้นประชานมายุก็มากแล้วนะฮะตอนพระราหุลก็ร่วมยี่สิบแล้วพระพุทธเจ้าก็คงจะสัตเท่าไรแหละแต่ก็ร่วมห้าสิบะห้าสิบกว่าสิก็เดินชื่นชมพระพุทธเจ้าดูข้างหลังนะที่จริงดูข้างหลังนะ่ย แม่งงามจริงพระพุทธเจ้านี่งามจริงๆส่วนงางามจริ ง, ร ง, ง, ง, รงก็ท่านคิดก็ท่านน่ะพอเสร็จแล้วก็มองตัวเองที่เราเองไม่ย่อยเหมือนกันนะลูกพ่อเราก็ไม่ย่อยเหมือนกันก็ท่านก็คิดไปคิดมาพระพุทธเจ้ารู้ความคิดท่านหันกลับมาแล้วก็สอนเวลาคุณได้รูปเนี่ยเจ้า ต, ต้องมองให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา มันเป็นเพียงสักด์แต่ว่ารูปเท่านั้นเองท่านก็ถามมาเฉพาะรูปอย่างเดียวหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างเลยเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณเหมือนกันนะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าทรงจําแนกว่าเป็นธาตุนะครที่เคยที่นํามาบรรยายเรื่องธาตุนั้นก็นํามาจากเนี่ยนามาคือต่อกันหลายสูตรอะต่อกันสีห้าสูตรเพื่อจะให้จบไปในเรื่องของธาตุ นี่สแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใคร์ต่อการศึกษาไอ้ตอนสอนนั้นสเสด็จโดยสเสด็จบินทบาทท่านก็คิดประมาณเราได้รับคําสอนขนาดนี้จะมีคิดกินหรืออีกก็ไม่กินนะกลับเลยกลับมานั่งกรรมฐานพอกลับมานั่งกรรมฐานนั้นพระษาดิบุตรเห็นเออวันนี้เราเขุาานขยันนั่งกรรมฐานรอบินทบาทก็บอกเราหุนจเจริญอานาปานาสติท่านงงเลยทีนี้ว่าสมพระพุทธเจ้ารับสัง่ง เรื่องขันท่าอาจารย์มาสอนเรื่องอานาปานี่มัอะไรกันนะเลยวันนั้นก็ไม่ได้สมาที่อะไรเนกะิดสงสัยฮะไม่รู้จะเอาทางไหนดีพอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็เริ่มจําแนกธาตุแหละเพราะเริ่มมาจากท่านชักจะมันตัวเองนะคนหนุ่มเนี่ยหลงในไหวตัวเองความงามของตัวเองก็นึกดูนะฮะแม่ก็ยอดหญิงสวยพ่อก็หมหาปริศลลักษณะลูกก็ไม่เบาเ้าแล้วงั้นก็ท่านก็เพลินในตัวเอง กจะหลงรูปตัวเองใช่ละพระเจ้าเลยย่อยเป็นธาตุออกมาลเลยทีเนี้ยท่านถามเรื่องอนาปาเวลาพระเจ้าเทศน์พระนเทศนาปาเทศหายไปเลยก็ตั้งต้นมาย่อยมาตั้งแต่ขาหน้าคือเชื่อมตั้งแต่กันตอนเช้ามาเลยแล้วก็เริ่มจากขาหน้าแล้วก็ย่อยออกมาเป็นธาตุเป็นธาตุหมดเสร็จแล้วก็ไปสรุปลงที่อนาปาซึ่งหมายความว่าการปฏิบัตินั้นจะเริ่มจุดไหนก็ได้จะเริ่มจุดอนาปาก็ได้ มันก็จะมันจะเดินไปเองนะฮะอนาปาอันนี้ก็จะเดินไป16ขั้นมันก็ทะลุหมดเลยทั้งกายเวทนาจิตธรรมจะเดินคือจิตจะเดินนะฮะไม่ไม่ไม่ใจเป็นขั้นขั้นบันไดเป็นขั้นของจิตที่จะสัมผัสอารมณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วก็ทรงมีหลักในการปฏิบัติที่ชี้แนะไปด้วยทีนี้เรากลับมาที่ประสูนย์ถึงจะพบว่าวิธีสอนเด็กของพระพุทธเจ้าเนี่ย อย่างสอนโสปากะสามเนนพระพุทธเจ้าชวนเนนขึ้นไปนั่งบนยอดเขาคือไปนั่งบนยอดเขาแล้วก็ชี้ให้ดูทะเลชี้ให้ดูต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้เอาทะเลเอาใบไม้ตรงนั้นใกล้ๆน ะ, ะมาสอนสอนสอนสอนสามเนนก็เข้าใจะะพอเอาของของใกล้ๆตัวเนนะเสร็จแล้วสามเนนองค์นี้เก่งมากมีอยู่ห้าองนะฮะ พระราหุลนี่ท่านอยู่จนจนอายุครบยี่สบนะจึงในอุปสมบทเนี่ยทั้งๆที่เป็นพระโอรสนะแต่มีเนอยู่าองค์เป็นพระตอนอายุเจ็ดขวบมีพระทัพพระมันระบุตรมีสามเนนเรวัตมีสามเนนโสปากะนี่มีอยู่ห้าองค์เป็นพระตอนอายุเจ็ดขวบไปให้เป็นพระทันทีเพราะท่านเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ก็เลยก็เป็นพระเลยเนเล็กๆเนี่ยเพราะงั้นพระ สมัยนั้นบางทีพระอาราตองเล็กๆแล้วถือว่าคือสอนให้คิดนะให้ลองสังเกตว่าถ้าถ้ากับเด็กแล้วพระเจ้าจะเสริมความคิดคือสอนให้แกคิดเป็นให้เข้าใจคิดเอาเพราะถ้าบางทีไปอธิบายอะไรตัวไรนี่แกเข้าใจยากเด็กะแต่ถ้าเราแนะให้แกคิดแล้วก็ถามตัวแกที่ในวิสัยที่แกจะเข้าใจได้แกก็จะเกิดความเข้าใจ ยังคราวหนึ่งไปพบเด็กเด็กกำลังตีวงล้อมไล่ไล่ไลตีงูกันพระเจ้าก็เสด็จเข้าไปทำอะไรกันหนูตีงูไล่ตีงูงูอะไรงูก็เรียกงูเรือนนะครับเป็นงูเขียวชนิดนึ่งตีทำไมแกตอบไม่ได้พอตีทำไมเนี่แกตอบไม่ได้ ก็ได้จะแกอ้างว่างูจะกัดไอ้ก็เด็กแกก็รูว้ว่างูนี้มันไม่กัดคนแกตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้ก็รับสั่งถามว่าเออถ้าฉันตีเธอบ้างจะเอาไหมไม่เอาทําไมไม่เอาเจ็บแล้วงัจะเจ็บไหมแก็ไปคิดมองหน้าไปมองหน้ามาก็เจ็บงูก็เจ็บเหมือนกันพระเจ้าก็สอนว่าเออเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่มันกลัวเจ็บนะ แต่ต่างหลายกลัวเจ็บเราก็คิดว่าเราก็กลัวเจ็บสัตว์อื่นเขาก็กลัวเจ็บมันต้อคิดได้แล้วอย่าไปฆ่าสัตว์อื่นอย่าไปเบียดเบียนสัตว์ที่อะไรนะมหาวิทยาลัยอะไรมม่โดนนะฮะที่เอาไปเป็นภาสิทธ์ประจามหาวิทยาลัยอัตานาังอุปมังกะเลออกมาจากภาสิทธ์ข้อ น, นี้ทเจ้าจะส่งเสริมความคิด ก็ เ, เด็กแกชอบถามถ้าถามเราก็ต้องส่งเสริมให้คิดอธิบายบ้างเราส่งเสริมให้คิดบ้างนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแกคิดได้แล้วเนี่ยแกจะเข้าใจแต่ส่วนมากผู้ใหญ่เวลาไปสอนเด็กนั้นก็จะใช้สอนอย่าทำพอเด็กถามว่าทำไมไม่ไม่อธิบายอย่าทำก็แล้วกันเฉียงอีกหรือตบเลยอ่าไปก็เนี่ยก็สอนลูกกันอย่างเงี้ยคือคือคืออธิบายแกตีฮะอธิบายแล้วก็เสริมให้แกคิด หรือไปแกคิดจากตัวอย่างใกล้ใกล้ใกที่แกแกเข้าใจอยู่แล้วนะฮะดึงสิ่งที่แกเข้าใจอยู่แล้วเข้าไปสอนแกเด็กแกคิดอะไรได้เร็วถ้าพูดถึงว่าเด็กปัจจุบันเราจะเห็นว่าแกแกเรียนอะไรได้เร็วแต่ก็มีลักษณะน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือคือไม่ค่อยลึกอะ่ะไม่ค่อยลึกเพราะอาจจะเรียนมากเกินไปเพราะเห็นมากเกินไปจนไม่สามารถยั่งในเรื่องอะไรได้ แล้วก็กลายเป็นการมองผ่านๆวิธีการของพระพุทธเจ้าจะชงใช้ใช้แนวนี้ตลอดถ้าลองลองสังเกตถ้าเป็นเด็กเป็นเนนนะฮะเป็นเด็กเป็นเนนเล็กๆและจะชงใช้เนี่ยส่งส่งเสริมความคิดเอาตัวอย่างใกล้ๆแล้วให้แกคิดเข้าหาแกฮะให้แกคิดเข้าหาแ ก, แ ก, เ, าาแกเพราะว่าคนเราถ้าดึงตัว ดึงสิ่งทั้งหมดเข้าหาเราแล้วก็สะท้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนั้นมันจะเป็นได้รับการกันกรองแล้วแต่ส่วนมากคนคนไม่ค่อยคิดในแนวนี้คือแนวที่จะเอาตัวเองเป็นอุปมาหรือเอาตัวเองอะไรเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮะแนวความคิดเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นไม่ค่อยคิดเพราะานั้พฤติกรรมบางอย่างจึงมีลักษณะที่ รุนแรงเกิดขึ้นอยู่ได้สม่ำเสมอภายในทั้งคมโดยไม่คิดถึงคนดินวันก่อนเมื่อวานเนี่ยฮะนั่งคุยกับเด็กคนหนึ่งต้องการทดสอบความคิดแกนะครับลองสอบถามแกแต่แกพูดถึงจะบอกพ่อผมนี่ไม่ไหวใครทำอะไรช่ยผมไม่ยอมอนั้นก็ต้องแก้แค้นนะ่ะ เรียนกังภายในพวกเด็กเด็กมันอ่านกังภายในมาจนอยากจะแก้แค้นมันจะหมดแล้วถามว่าแก้ แ, กแค้นทํำอะไรเจอเด็กคนนี้แกเคยไปแอบยิงเขานะพอดีปืนมันแกยิงคงยิงไม่เป็นหรือปืนมันด้านนึงไงมันก็ยิงไม่ไม่ออกแล้วถามว่าถ้าเธอไม่ยิงอ่ะไอ้คนนี้ตายเป่ามันก็ตายแล้วถ้าเธอยิงแล้วมันแล้ว มันจะได้อะไรขึ้นมาตายไหมก็ตายแล้วเธอก็ติดคุกกันดิเพราะงั้นนั่นน่ะสิก็ติดคุกก็นสิติดคุกแล้วมันได้อะไรไอ้เด็กที่เธอจะไปยิงมันปอสี่ไอ้เธอมันนักศึกษาหมาไม่ใช่ไรมันราคามันต่างกันนะราคาต่างกันในโบราณก็สอนไงอย่าเอาทองไปแลกกับเอ้ยาเอาทองไปรักกับกระเบื้องอย่าพิมพ์เสนไปแลกเกลือเนี่เขาสอนเอาไว้เพราะมันราคาไม่คุ้มกัน เราจะไปแลกกับเขาได้ยังไงเราในกว่าจะมาถึงขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่ลงทุนลงแรงเท่าไรไอเด็กนี้มันก็เด็กป .4 เท่านั้นเองเรายิงไม่ยิงมันก็ตายพอดีเด็กคนนี้มันอ า, อาศัยที่ไอ้มันร้ายนะฮะต่อมาก็หนีหลบขึ้นมาที่กรุงเทพปรากฏว่าก็ถูกเขายิงตายก็ตายหลังจากไอเด็กคนนี้ไปแอบยิงมันสักสองสามปีเทนั้นเอง <laughs> ก็นี้ก็เราตัวอย่างที่เราชี้เราก็ชี้ได้ชัดเราเห็นไหมเห็นไหม เธอไม่ต้องยิงมันอีกสมปีมันตายแล้วถ้าเธอยิงตอนนี้เธออยู่ในคุกไอ้น้นมันก็ตายแล้วก็เหมือนกันแต่ว่าตายตายเร็วขึ้นสามปีเท่านั้นมันก็คือตายนะเนี่ยแต่แล้วแกก็นั่งคิดคิดคิดคิดก็ดูแกจะคิดออกนะโดยแกคิดออกคิดคิดแต่ก็นึกยิ้มก็นั่งพยักคอหนึ่งหนก็เราต้องส่งเสริมความคิดแล้ววิธีเหล่านี้ที่เราพุทธเจ้านํามาใช้นะนํามาใช้ว่าให้ดูตัวกรรม คือการกระทาอะไรกร็ตามพอกระทามันก็ต้องมองไปหาผลให้มองไปหาผลกก่อนว่าทำอย่างนี้ผลมันจะออกมาอย่างไงก็อสอนให้ให้ใช้เหตุผลซึ่งสมบพราขุนตอนนั้นก็อายุคงจะคงจะไม่ใช่ 7-8 ็ดแปด้าวบอาจจะเลยไปหน่อยนะเพราะว่าคิดออกจะเป็นนามธรทมมาตรงควรก็คิดจากจุดว่าการกระทำเนี่ยเมื่อทาแล้วมันมีผล และโดยพื้นฐานของคนนั้นต้องการประโยชน์เกื้อกูลต้องการความสุขนั้นคือเป้าหมายเมื่อเราจะสร้างเหตุอะไรเราก็ต้องดูเป้ามาันดูมันจะออกผลมาอย่างไรทรงมีข้อแม้ไว้ข้างหลังทุกจุดให้ลองสังเกตว่าถ้าไม่ดีแล้วเนี่ยมีผลเป็นทุกข์มีวิบากเป็นทุกเหตุเกิดมาจากอะไรเหตุเกิดมาจากตนเดือดร้อนเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นหรือ เบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่นอันนี้เป็นสูตรหลักนะเป็นสูตรหลักทําไมหลักตัวอย่างที่เคยบอกว่าโลกเรามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนะ่ยมัมีเรากับคนอื่นเท่านั้นเองคือถ้าเราแก้ไขปัญหาเรากับคนอื่นได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วปัญหาเรื่องระดับศีลธรรมระดับความคิดท่านจึงให้คิดเริ่มต้นจากสิ่งที่เรากะทําแล้วก็มองผลกระทบ กระทบเรากระทบคนอื่นกระทบแนวไหนถ้ากระทบในแนวที่เป็นการเกือกูลที่ที่ทงใช้คำว่ามีผลเป็นสุขมีวิบากเป็นตุกทำไมจึงใช้คำว่าผลกับวิบากในที่เดียวกันแต่ทั้งหลายได้โปรดเข้าใจนะครับคำว่าวิบากนั้นจะใช้ในแง่ของอะไรละ่ะบันดาล น, นะฮะกรรมบันดาล เ, เช่นเรา ฆ่าสัตว์เอาไว้พอไปถึงจุดหนึ่งเราถูกฆ่านี่เรียกว่าเพราะวิบากก ร, รมัมวิบากก ร, รับแต่บางทีก็ใช้ผลก็ได้นะครับคว่าวิบากกรรับคาว่าผลนั้นเป็นการใช้ให้ต่อเนื่องเพื่อเห็นว่าผลเหล่านี้หรือวิบากเหล่านี้มันจะสืบต่อกันไปจนจนข้ามภพข้ามชาติไปได้ากายกรรมที่ การเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นและเบียดเบียนตนเองให้บุคคลอื่นให้เดือดร้อนนั้นไม่เคยอื่นไปจากไอ้สามากัมมันตะนะฮะสมากัมมันตะในด้านกายกรรมคื อ, เ, อเกี่ยวกับร่างกายทรัพย์สินและทางเพศอาชกรรมสามตัวนี้ตลอดให้ท่านทั้งหลายไปวิเคราะห์ตรวจสอบจะไม่ต้องไปนับนะเกี่ยมายัางนึกดูว่าในงแง่ของการนับบางทีเราก็นับไปอย่างนั้นน่ย ยกตัวอย่างในสาขาวิชาเมื่อวานสือน่อไปประชุมที่กรมวิชาการท่านรองบอกว่าที่เนเธอร์แลนด์นะฮะประชากำลังริดดิ้งอย่างเดียวคืออ่านมันด่าไปเลยแล้วก็นเนื้อหาวิชามันจะปนกันอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันแม้เขาไม่ไปแยกสาขาอย่างเรารางเราในแยกกันจังเลยไม่รู้อะไรตัวอะไรเพื่อหางานให้คนได้ทำกันมากๆ เ, เรามองดูว่าเช่นวศีลข้อที่1 ถ้าจะนับเป็นสาขาวิชามันได้ทั้งหลายการที่เราเไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไม่ฆ่าสัตว์นั้นแสดงว่าเกิดมาจากระบบการศึกษาระบบการศึกษามันก็เป็นทั้งาศาสตร์สนาเป็นทั้งการศึกษางดเว้นไม่ฆ่าก็เป็นจิตวิทยาคนนั้นไม่ถูกฆ่าก็เป็นผลทางสังคมผลทางการปกครองเป็นเศรษฐศาสตร์คือสงวนทรัพยากรมนุษย์ไวอุ้ยมันเนื้อหาวิชายะ เราก็ไปนั่งนับนิ้วมันก็ได้ทั้งหสาขาพิจารณาแต่แท้จริงก็คืออันเดียวหรือไม่ฆ่าสัตว์เพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านตั้งฐานไว้ง่ายๆแล้วผลมันจะกระจายตัวมันเองทั้งหมดลองดูว่าทางกายกรรมจะไม่เคยอื่นไปจากนี้นะไม่ว่ามนุษย์ยุคใดสมัยใดที่เขาก็ททำกันอยู่ก็ตามจะเกี่ยวกับร่างกายทรัพย์สินประเวณีอจญกรรมเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับทรัพย์ินเกี่ยวกับทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าศึกษาออถ้าท่านได้อ่านรายงานระยะรู้สึกจะ4หวันนะตอนตอนปีใหม่มีรายงานออกมาว่าปีนี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใช ป, ปีนี้แต่ปี 2-6 คดีที่ขึ้นสู่โรงศาลเป็นเช็คเด้งขึ้นไป 47% ตอนสองสี่นั้นขึ้นไป 40% ่ตแสดงว่าเช็คเด้งกัาฟังแสงแรงมากเลย มันสะท้อนกลับออกมาเป็นอะไรสะท้อนกลับให้เห็นว่าเวลานี้จิตใจของคนถูกความโลภ ก, กับความหลงครอบงามากก็โลภ ก, กับหลงครอบงาำจิตใจคนมากเพราะเราแข่งกันกินนะแข่งกันกินก็นแข่งกันใช้แต่ไม่ค่อยแข่งกันทำงานอะไรสินค้าจากไอ้ไอไอไอไอยอดเสียดุลการค้าก็ขึ้นเกือบเกือบ8ปด0 0ื่ล้านไอ้สถิติเช็คเด้งก็ขึ้นไปตัง้งส7 มันเป็นสิ่งที่สะท้อนพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดของคนภายในสังคมที่ออกมาในรูปที่ถูกความโลภครอบงำความหลงครอบงํามากคืออยากได้อยากรวยอยากลงทุนอยากอะไรแต่ก็มีโมหะคือไม่คิดว่าจะใช้คืนก็ยังไงไอ้เช็คที่เซ็นไปแล้วจะเงนเินเบิกได้ที่ไหนเนี่ย โ, โมหะมันปิดเอาไว้ไม่ได้ดูตรงนั้นเพราะงั้นก็เลยก็เด้งปังปั ง, ปงกันไปกันใหญ่เลยตอนสองสี่มัน 40เท่านั้นเองนะฮะสองสี่สองห้าขึ้นมา40่สีเสองท่านั้นพอสองพรวดขึ้นไป47จุดเท่าไหร่จุด23นจุดอะไรเี่แล้วทำไมโมหะแรงโมหะมันเกิดมาในรูปสิ่งเสพติดมาอันดับสองขึ้น23กว่าเปอร์เซนต์สิ่งเสพติดให้โทษต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเมืองไทยเราจ่ายค่าสิ่งเสพติดไป1700ล้าน ค่าสิ่งเส็ติดนะค่าค่าค่าไอ้นี่ค่าซื้อเนี่ยไม่ใช่ค่ารักษานะจ๊เพราะค่าซื้อไม่นับค่าอัดยาการมาที่พวกนี้ไปสร้างขึ้นไปอีกตอนนี้ขึ้นไปทั้ง23ามันมันเป็นอะไรมันเป็นโมหะเพราะเรามองดูถึงไอ้การเผยแพร่การชี้แจงอบรมสั่งสอนอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ แ, แผนภาพต่างๆที่เราเผยแพร่กันคนมันน่าจะหยุดอนะมันน่าไม่น่าจะสูบแต่โมหะมันมากเกินไปโมหะโลภ อยากลองอยากลิ้มอยากเด่นอยากมีพวกฮะมันก็คือโมหะกะโลพาโมหะกะโลภานี่มากปริมาณกิเลสมันมันก็เป็นประหลอดนะวัดขึ้นมาแล้วมันก็สะท้อนออกมาเป็นเชิงพฤติกรรมที่เราวิเคราะห์จากยอดของสังคมดึงก็หาสมุทัยได้อย่างนึกจันไปนั่งวิเคราะห์ออกโทรทัศน์ปลายเดือนเนี่ยกลัวรัฐบาลจะน้อยใจอีกคือคือคือมันมันเป็นพฤติกรรมที่น่าจะมองนะเพราะนี้มันมันผลแต่เราย้อนจากผลกลับไปหาเหตุอะไรคือตัวสมุทัยครับ ซึ่งแน่นอนปัญหามันก็คงจะมีมากแต่ปัญหาตัวการสำคัญก็คืออะไรคือกิเลสมันสูงอะกิเลสมันสูงเกินไปโลภะจัดเกินไปโมหะจัดเกินไปนะพอเสร็จแล้วมันก็โทสะมันก็ตามนะฮะมั น, ม, นมันเหมือนไก่น้าในลำธารเต็มในห้วยเต็มในคลองเต็มในแม่น้าเต็มในทะเลตเต็มเต็มกันหมดเป็นเป็นเป็นการอิงอาศัยกันเพราะงั้นอาชญากรรทั้งหมด ที่ทางกายที่เริ่มให้คิดนั้นเราจะเห็นว่ามันสัมผัสกับคนอื่นทางกายนั้นสัมผัสกับคนอื่นก็สอนให้พิจารณาว่าถ้าทําตนเองให้เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนหรือทั้งสองอย่างนะหรือทั้งสองอย่างทั้งตนเองและคนอื่นก็ให้งดเป็นเพราะเราเล็งไปที่ผลมีสุขหรือมีทุกข์ได้ทีนี้ถ้าโต้กันข้ามคือเป็นการเกื้อกูลไม่เบียดเบียนตนเองส่วนมากทรงใช้คําว่า ไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไม่ทำทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นสุขมีวิบากเป็นสุ ข, เ, สขเธอทำกรรมนั้นแต่ให้สังเกตว่าไอ้ฝ่ายไม่ดีเมื่อเราทำสมมุติเราทำไปแล้วให้สารภาพให้สารภาพให้บอกกล่าวให้คนอื่นทราบทำผิดไปอย่างนั้นวิธีพระเลยแสดงอาบัติแสดงอาบัติเนี่ยมันก็มันก็คล้ายๆกับสารภาพบาปสารภาพบาปของของครต แต่วิธีสารภาพบาปของคริสนั้นก็ถือว่าบาปหมดไปแต่ของเราเราเราถือสองอย่างนะฮะอย่างหนึ่งที่บาปท่านทั้งหลายลองสังเกตนะวินยัยหรือศีลไม่ไม่ไม่ต้องเอาวินัยหรอกเอาศีลอุโบสถศีลอุโบสถส่วนหนึ่งมันเป็นบาปด้วยมันผิดศีลด้วยแต่อย่างหนึ่งนะมันเป็นบาปเท่า น, นั้นเองเออไม่ใช่เป็นทั้งบาปเป็นทั้งผิดศีลอย่างอย่างหนึ่งผิดเฉพาะศีนั่นเองผิดจารีตเรียกผิดจารีต เช่นว่ากินข้าวเย็นอย่างนี้มันผิดแต่ศีลแต่ไม่เป็นบาปไหนเป็นบาปเพราะเพราะอะไรเพราะคนกินข้าวเย็นถ้าเป็นบาปแล้วก็คนบาปทั้งนั้นนะมันมกินข้าวเย็นกันทุกคนแต่เมื่อเราไปรับศีลเราเกิดผิดศีลเพราะเราไปสมาทานเราแปรทิฐฐานไว้อย่างนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นแล้วเราทําไม่ได้มันก็กลายเป็นมุสาวาทเป็นเสียสัจจะเป็นไปหายไปเลยสมบ์เรานะฮะสมบคนที่สมาทานศีลเท่านั้นจึงเป็นบาปถ้าคนไม่สมาทานศีลแล้วไม่บาปแต่ไม่ใช่บาปเพราะกินข้าวนะฮะ บาปเพราะผิดศีลกินข้าวไม่บาปนี้เรียกว่าภาษาวินัยเขาเรียกปันนติวัชชะก็มีโทษในแง่พระวินัยเท่านั้นถ้าเราไม่สมาทานศีลเรารับแค่ห้าข้อไปถึงกินข้าวเย็นได้สบายแต่ว่าคนที่รับ8ดข้อไปเห็นเพื่อนกินข้าวเย็นกับข้าวอร่อยเลยเกิดถิ่วกินด้วยอันนี้บาปเพราะตอนเย็นไปตอนเช้าไปสมาทานศีลเอาไว้นี่คือพวกที่ไม่สากลดเป็นปันนติวัชชะ ก็รเรียกมีโทษตามพระบัญญัติส่วนมีโทษทางโลกนั้นเหมือนสากลเลยทั่วทุกส่วนของโลกใครทําผิดหมดพระพุทธเจ้าจไม่ได้สร้างบาปนะฮะบาปนี้มันมีอยู่แล้วก็ทรงชี้แจงเปิดเผยให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองเพราะนั้นพอมาถึงส่วนของวาจามันก็คิดอะสอนให้คิดวจีกรรมในใช่วากรรมที่บุคคลทาด้วยวาจาคือการพูดออกไป ปัจจุบันบางทีผมก็คาบเกี่ยวกันนะเพราะว่าเราเขียนก็ได้เขียนก็ได้พิมพ์ก็ได้โกหกอะไรล่ะไปวันก่อนนี่อ่านหนังสือมอรอนสะักชั่นเขาเอามาให้ของของหนังสือคริสเขาแล้ว เ, เขาเขียนช้ำใจเลยเมื่อคืนในโทรศัพท์คุยกันหลายแห่งวันนี้จะส่งให้ท่านผู้หนึ่งท่านช่วยติกต๊กให้จะแปลมามันสรุปพระพุทธศาสนามาสองประเด็น สรุปเสแสบเลยพระพุทธศาสนาเชื่อความมีอยู่ของพระเจ้าในทางปฏิบัติชาวพุทธที่ดีต้องเชื่อความต้องเชื่ อ, อพระเจ้าและบูชาพระเจ้าซ้<ำ>เขียนเรียนกันที่อัดสัมชันนะฮะนั่นคือคือคือวจีกรรมที่ทุจริตมาโหรานพันลึกเลย เพราะชี้ทางผิดทําให้คนหลงในการประปฏิบัติไปแทนที่จะเสริมสร้างวิชาภายในใจคนมันเสริมสร้างอาวิชาภายในใจคนพาข้าวไปที่กรมวิชาการมันก่อนไปคุยกันพขาบอกบอกรมวิชาการเอื้อไม่ถึงคือมันใหญ่เกินไปก็บอกขึ้นที่ท บ, บวงเตะนี่มันเป็นคอนเรตอะไม่น่าจะถึงท บ, บวงแต่ยังไงไม่ทราบฮะอันนี้ก็คืออะไรก็คือว่าจีก ร, รัมที่เป็นทุจริตมันเบียดเบียนฮะ เบียดเบียนหลักการเบียดเบียนศาสนาเบียดเบียน ศ, า, ยยยส า, ศ า, สาสนินคนที่ไปปฏิบัติอย่างนั้นชาวพุทธต้องรงมานั่งบูชาพระเจ้าอยู่นะก็จบเลยไม่รู้เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์แต่ ว, วิธีการเป้าหมายเขานะก็เรารู้นะฮะว่าเขาต้องการทำอะไระแต่นี่คือความไม่สุจริตในเชิงวิชาการลาักษณะไม่สุจริตทางเชิงวิชาการเราดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะเช่นภาษาบาลีนะ การออกเสียงภาษาบาลีเป็ น, เ ป, นเป็นหลักของนิรุกติศาสตร์ซึ่งในเชิงวิชาการคือวิชาการอักษรพพานกับอักษรดเด็กอักษรไม่ใช่ทศฐานนนางมณฑลฮะเป็นสิถินอ โ, โคสะท่านเดินเป็นนักวิชาการก็คงลากเส้นดูนะฮะมันก็โคสะอโคสะสิถินทนิษสิถินทนิษสิถินหลักภาษาอันนี้รู้สึกว่าหนังหนังสืออะไรอุเทศภาษาไทยมันก็มีอยู่แล้วนะฮะ อะไรปะผะบะใช่ไหมเป็นสิทถินด้วยเป็นอักโศดด้วยตะถะดะเห็นไหมเป็นสิทินด้วยเป็นอักโศดด้วยแล้วก็ตะถะดะเพราะงั้นถ้าเราออกทะมันจะเป็นทันทีทันทีหนักทันทีเลยแล้วก้องด้วยผิดหลักในรุติศาสตร์ผิดหลักการออกเสียงเพราะงั้นตัวพอพานต้องออกเป็นบอใบ้ตัวทอทหารต้องออกเสียงเป็นดอนเด็กภาษาอังโรมันเวลาเขียนโรมันก็กใช้ตัวดีตัวตัวบีนะฮะ แต่ว่าเราเวลาเราเนี่ยเราไม่ไม่ไม่เคารพทางวิชาการเราก็พูดกันอย่างนั้นนะฮะพูดพูดกันก็อย่างที่พูดพอพังก็คือพอผ่านโดยไม่เคารพนิรุติศาสตร์นั่นคือเอาวิชาการไปปนกับส่วนตัววิชาการคือต้องวิชาการวิชาการต้องเป็นวิชาการที่บริสุทธิ์เราสอนอะไรเราบอกอะไรคิดว่ายังไงพูดว่ายังไงว่าอย่างไรว่าอย่างนั้นเลยไม่ใช่ไปบิดเบือนกันอย่างนั้นนั่นคือเป็นวจีทุจริต จะทําให้วิทยาการวิชาการนั้นเศร้าหมองแล้วคนรู้ผิดไอ้สอนให้คนรู้ผิดนี่อันตรายมากนะตัวเองตกนรกก่อนนะเดินนําเพื่อนไปตกนรกบางทีคนนั้นก็กลับตัวได้ไม่ตกนรกง้นไม่ดูเพื่อนขึ้นสวรรค์ตัวเองลงนรกคนเดียวเลยเรียบร้อยไปเลยนี่ก็เป็นการทุจริตทางทางวิจิกรรมนะฮะแต่มันเกิดมาทางมนุกรรมแล้วออกมากายกรรมเราเขียนในหนังสือด้วยนี่ครบสามกรรมเลยบาปมาก ก็ต้องมองในแง่ขลเหมือนกัน ว, วัจจิกรรมว่าพูดไปแล้วในเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไมมีผลเป็นทุกข์หรือมีผลเป็นสุขให้ดูตรงนี้ดูต้องดูถึงผลไม่ใช่ดูเฉพาะเหตุต้องดูที่ผลมันด้วยบางทีเราทําอะไรเราก็นึกแต่เหตุคืออยากทําก็ทําแต่ไม่นึกถึงผล พอผลเกิดมาผมไม่คิดไปอย่างนี้แล้วก็มีใชค้คําเขารู้เท่าหมายถึงการรู้เท่าไปถึงการเป็นคํากระจุ่มกระจิ๋มหน้าเอ็นดูดีแต่มันหน้าเคขัวมาก อ, อมันไม่คิดอะไม่คิดอะไรเลยรู้เท่าหมายถึงการได้ยังไงมันต้องมองให้เห็นเหตุเห็นผลพอเสร็จแล้วก็มาสรุปพวกมนโนกรรมวัจจิกรมมันก็ไม่มีอะไรนะฮะวัจจิกรมที่เบียดเบียนคนอื่น มันจะออกมาเพียงสี่อย่างเท่านั้นอย่างที่พูดเนี่ยที่เราท่องกันได้นะแต่ว่าทํากันไม่ก็ได้แต่อะไรมันท่องได้มันท่องง่ายดีคือเบียดเบียนคนอื่นก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบเพื่อเจิดเดีไหลไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือคําสัตว์คําจริงคําเสริมส ร, ร้างสามัคคีคําไปร้ออ่อนหวานนะคําที่มีประโยชน์มันก็มีเท่านั้นเนะี่ยแต่ว่าคําไปร้ออ่อนหวานมีข้อแม้อีกอย่างนึงว่าต้องมีเมตตาจิตกล่าวหรือว่ามีโทสะจิตกล่าวคือบางทีโกรธนะฮะ บางทีโกรธแต่ว่าพูดไพเราะจังแต่เชื่อเฉือยหัวใจเลยนะฮะอันนี้อันนี้นี่นี่เป็นวจีทุจริตนะฮะท่านให้วิเคราะห์ที่จิตมันมีหลักอยู่ว่ามีเมตตาจิตกล่าวหรือมีโทสะจิตกล่าวหมายความว่าพูดด้วยความโกรธหรือพูดด้วยเมตตาพูดด้วยความโกรธหรือพูดด้วยเมตตาเนี่ก็อยู่ที่ฐานที่มนุกมให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตจังึ่งว่าที่จริงเราจะว่าพระพุทธศาสนาสอนเท่านี้ก็ได้นะฮะสอนท่านี้ก็ได้ พูดเรื่องกายวาจาใจแล้วเราดูองค์มครรคนะฮะองค์มครรคสัมมารกรรมันตะการงานชอบวาจาชอบสัมมารกรรมันตะการงานชอบก็คือกายวาจาชอบคือสัมมาวาจาก็คือเรื่องวาจาอาชีพชอบก็คือกายกับวาจาพอต่อไปมโนกรรมนั้นท่านพูดว่าโลกกรดหลงมโนกรรมก็คือเรื่องของความคิดที่ถูกแรงผลักดันของโลกโกรดหลงหรือไม่โลกไม่โกรดไม่หลง ถ้าโลภโกรธหลงจะออกมาเป็นรูปของการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นมีผลเป็นทุกข์มีวิบากเป็นทุกข์ก็งดเว้นส่วนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันจะไม่เบียดเบียนใครก็ลองดูกัแล้วกันนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เบียดเบียนใครเราก็ไม่ถูกเบียดเบียนด้วยสบายมีผลเป็นสุขมีวิบากเป็นสุขก็ให้กระทําให้สารภาพแ ม, แ, ามนะแม้แต่ความคิดนะฮะแม้แต่ความคิดที่ไม่ดีในกรณีไม่ดีให้สารภาพ ให้บอกกล่าวก่อนเพราะงั้นที่น่านับถือเราจะพบว่าคนแต่ก่อนนะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องแต่ก่อนมากในเสือใบสัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยเสือใบบอกจนสมัยนี้ไม่มีสัจจะสมัยก่อนมีสัจจะเจ้าทรัพย์ไม่ต่อสู้ไม่อะไรแล้วจะไม่ทําลายเขานี่นี่ก็ใกล้ใกล้นะเพราะงั้นคนโบราณเนี่ยเขามีสัจจะคือเขาพร้อมที่จะพูดเผยเปิดเปิดเผยความจริงออกมาเลยแม้แต่เป็นความคิดแม้ผมเคยคิดอยากจะให้คุณตายนะ กสารภาพอะไรมันมันก็ขจัดมลทินใจออกไปได้นี่ก็เป็นวิธีแปลกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่เราสู้สายบาบาไม่ได้นะตอนนี้สายบาบาจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์ลนะเพราะของเรานั้นถ้าความชั่วให้เปิดเผยถ้าความดีให้ปกปิดมันเสียตรงนี้คือบันดีตรงนี้มันจะเสียตรงนี้นะเอ่อแต่ถ้าของเขาแล้วนี่ฮะความชั่วปกปิดความดีเปิดเผย เปิดเผยออกมาก็ดีแล้วก็ขยายระบายสีออกไปออกไปเนี่ยอย่างเหมือนกบสแสบาบาเดนินอูชาวไทยเราจะเป็นศาสตาจะได้ที่จริงวิธีอย่างนั้นน่มาบอกไม่ต้องอะไรมากที่ว่ากินอะไรหายเนี่ยกินอะไรหายที่ที่เยอะไปไอ่อะไรตะใครที่พระทาศนครเน่คนเอาไปละลายน้ำกินหายเยอะแยะ แต่นั้นมันความพอเหมาะพอเจาะความบังเอิญอะไรเหมือนกระโยมคนหนึ่งที่ามาเคยไปพบไปนับถือหลวงปู่แหวนอามานี่ไม่เคยพบหลวงปู่แหวนถามมาทำไมจึงนับถือมากแกบอกแม่อายุเจนะ็อ่ะหมอตรวจเป็นมะเร็งอย่างแรงคือจะตายไม่เกิน3เดือนแกบอกจะตายก็จะตา ย, ตายขอไปกินข้าวกล้วบาทหลวงปู่แหวนหน่อยลูกชายก็หามไ ป, ปเลปเล่งเปล่งไปหลวงปู่ก็เอาข้าวให้กินแล้ววันหายไปพบกันวันก่อนนี่โยมคนเนี้ยไปเที่ยวภูทอก อายุเจหาจากมะเร็งปีนผูทอกนะเพราะงั้นอันนี้มันก็เกิดได้แต่เราโฆษณาไม่ได้เราโฆษณาไม่ได้แล้วก็พูดไปได้แสดงให้คนรู้ก็ไม่ได้นั่นคือวิธีของปุตมันเหมือนกับวิธีคนอื่นปกปิดความดีแต่เปิดเผยความชั่วถ้าความดีก็ตัวเองแม่แต่เขาถามก็จะพยายามบอกไปอย่างนิดหน่อยถ้าจําเป็นนะฮะถ้าไม่จําเป็นก็ทํำเฉยๆเสีย แต่ถ้าความดีของคนอื่นพร้อมที่จะเปิดเผยพอความชั่วก็ตัวเองพร้อมที่จะขยายโดยใครถามไม่ถามก็พร้อมที่จะบอกนั่นคือแนวพุทธซึ่งก็เป็นแนวที่ไม่เหมือนของคนอื่นเขา เ, เราถึงแม้จะมีดีจึงไม่มีการประชาสัมพันธ์อะไรการอืกก้อทึกครึกโครมอย่างที่เขาประชาสัมพันธ์กันนี่ก็ต้องการให้เห็นแนวต่างๆของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเด็กอย่างเงี้ยสอนจงเสริมให้เด็กแกคิดเด็กแกถามว่าทําไมอะไรทําไมในต้องตอบไปแกได้นะฮะ แต่บางทีตอบยากเหมือนกันคนระับปัญหาเด็กเนี่ยก็พยายามตะล่อมให้แกคิดเอามั่งสมบัติปีก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไผ่บุใ์ในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน